เจ้าคุณพระศรีธรรมภาณีผู้ในการสำนักงาน ส, ส่งเสริมพระสอนศิลธรรมท่านคณะกรรมการและนักเรียนทุกคนในานามของเจ้าวาวัดตรุระวงสาวาศก็ขอต้อนรับ ด้วยความยินดีพวกเราทุกรูปทุกคนที่มาร่วมกันทำกิจกรรมซึ่งมีรายละเอียดดังที่ท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภานีได้รายงานให้ที่ประชุมทราบแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมต่อไปนี้ก็ขอให้ เตรียมใจของเราให้พร้อมนักบวยเวลาจะขึ้นชกยังมีพิธีไหวครูคนเราเวลาจะทำอะไรก็จะต้องมีการไหวครูอย่างน้อยในใจครับจะเทศอย่างต้องตั้งน้ำมั ก่อนที่พวกเราจะเข้าประกวดในกิจกรรมต่างๆก็มาทำพิธีเปิดพิธีปฐมเทศและให้เห็นว่าเป็นการประกวดในระดับภาคภาคหนึ่งนั้นมีสี่จังหวัดมีกมรุงเทพมหานครเป็นต้ น, นทีนี้เมื่อเราจะต้องผ่านด่านนี้ไป เพื่อไปแข่งขันไปประกวดในระดับชาติที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชาลั ย, า ย, ายก็จะต้องตั้งใจการตั้งใจถ้าตั้งใจมากอาจจะไม่สำเร็จก็ได้ไม่ตั้งใจก็จะล้มเหลวก็ได้ตั้งใจมาก เกิดความเครียดภาษาพระท่านใช้สองประโยคลีเนจิตตังฮิปักขาโหอุทธตัสมิงวินิขคาโหมท่านเราไม่ตั้งใจจิตใจของเรามันซบเซาให้ปลุกขึ้นมา บางคนเป็นอย่างนี้เฉยมายัางเสียไม่ได้เมื่อจิตเฉยชาให้ปลุกใจขึ้นมาอุทตตสมิงวินิเขางถ้ามันฟุ้งซ่านมันเครียดให้ดึงลงมาให้อยู่ในระดับปกติ เขาวัดทำไมเมื่อจิตเฉยชาหรือฟุ้งซ่านเนี่ยทำได้ไม่ดีเพราะเวลาที่เราฟุ้งเราเครียดชีพจรเต้นเท่าไหร่นะักเรียนคยเวันไวละ่ะเวลาที่เราอยู่ตรงนี้มันชีพจรปกติแต่เวลาเราไปเผชิญหน้ากับกรรมการหรือคู่แข่ง เลือดมันจะฉีดเพิ่มชีพจรเต้นเร็วขึ้นการเต้นของชีพจรหรือหัวใจเนี่ยต้องไม่เกิน140ถ้าเกิน140เพี้ยนทันทีไอ้ที่เตรียมมานีหลืม อ, อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เราวัดได้ ทีนี้ถ้าถ้าเราตื่นเต้นมากบางเคไอที่ท่องมาไอที่เตรียมมาที่จะสวดที่จะอาราธนามันไม่มาหรือไปคิดเรื่องอื่นมันเพราะว่าเลือดเลือดมันสูบฉีดขึ้นสมองเยอะเกินมันเพีย้ยนสมองทํางานเพีย้ยนอันนี้เขาเรียกว่าฟุ้งซ่านลอยลงต้องสองบลงมาเราจะรู้เราเองว่า เกกลัวหรือประมาตื่นเต้นหรือไม่กลัวนักมักตายอายนักมักล้มกลัวมากดีไม่ดีก็พลาดตกจากที่สูงเพราะกลัวสั่นไปหมดมือไม้อ่อนตกลงมาตายอายมากเดินขึ้นมาประวด ยิ่งอายยิ่งสะดุดขาตัวเองลบลงไปสมองเรามีโลหิตขึ้นไปเยอะเกินพิกัดสูบฉีดเกินร้อยสี่สิบและถ้าใครเป็นอย่างนั้นมัดจับบ้าบิดถ้าสูบฉีดมากเนี่ยเราสังเกตไหมคนที่ไม่กลัวตาย เวลาเขาเกิดภัยเกิดอะไรก็ตามชุมนุมกันเนี่ยวิ่งเข้าใส่เขาเนี่ยเป็นพวกแบงเ ม, มาคนธรรมดาจะไม่วิ่งไปหาลูกปืนแต่พอมันว่าดีเดือนเนี่ยโลหิตมันสูบฉีดขึ้นมานี่ยน้ว่าตัวเองมีริ้นมีเดชยิงไม่เข้าวิ่งชาร์จตำรวจบ้าอะไรบ้าทหารบ้าโดยบางทีก็มาจาก อยาเสพติดไปกระตุน้นใบกระท่อม บ, บ้างไอ้มันมีผลบมดเลยนะในการตัดสินใจไม่รอบคอบเลยตายไปเยอะเลยกลัวนักมัดตายอายนักมัดล้มในการประกวดเราต้องดึงจิตของเราลงมาทีนี้พวกเชยชานะ่ะก็ชัดเจนเลยแข้งกระไดไม่แข้งกระไดแพลกระไดชะนะกระได้อะไรก็แล้วแต่เขาให้มากกวามา มันจะโถมเพื่อนนะไอเขาอื่นเขาตั้งใจพายใช่ไหมเวลาเราแข่งกันเป็นทีมเนี่ยพายเรือก็แข่งจ้ำเอาจากมาให้ เ, เราไปพายชายห ย, ยอกแย่ยอแย่พาให้ทีมล้มท่องก็ไปท่องอะไรก็ไปเตยอย่ามาดีกว่าเพื่อนบอกเพราะฉะนั้นเรากไม่ต้องมีความรักเพื่อนรักโรงเรียนทั้งหลายเราจะต้องมาพรีเซนต์ต้องนําเสนอ ต้องสร้างชื่อสร้างชื่อให้กับสถาบันให้กับครอบครัวให้อะไรหนะปลุกใจขึ้นมาพ่อแม่หวังพึ่งผ่าเจ้าครูเล่าหวังให้สร้างชื่อชาติหวังกำลังฝึกปรือเจ้าคือความหวังทั้งปวงทหารจะไปลบเขายังจะต้องมีการปลุกใจอะไร เพริปลุกใจแม่ทับจะต้องขึ้นมาปราศัยมาปลุกใจปลุกระดมมันก็จะวิ่งเข้าใส่ข้าศึกแต่ถ้าปลุกมากโอ้ยที่ร้อนแรงเกินเพี้ยนเชย่อกเฮ้ทางสายกลางมัชชีมามปฏิมาทางสายกลางชีพจรประมาณ1น0่งร้อยร้อยี่สิบนกังดี กำลังดีทำจิตของเราให้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่อย่าให้มากอย่าให้เพียนอย่าให้อเวอร์นี่ทำให้เราประสบความสาเร็จมาจากจิตใจของเรานิ่สงสงบแต่ไม่ใช่เฉยมีทั้งปัญญามีทั้งวิรยิยะกล้าหาญแต่อย่าลืมว่าเรามาประกวดครั้งนี้เป็นประกว ด, ดด้านศีลธรรมเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องดีด้วยะนะด้วยการโกงในไม่มีประโยชน์ในดๆเอาเปรียบฝืนกติกามีตัวช่วยมีอะไรต่างอย่าไปทำเพราะเขาให้เรามาประกวดนี่เพื่ออะไรเพื่อสร้างคุณธรรมคุณสมบัติที่ดีในจิตใจให้เราเป็นเด็กดี ถ้าเราฝืนกติกาเรามาทาอะไรก็ตามที่มันทาให้เราเป็นไม่เป็นคนดีแพ้จะ ด, ดีกว่าเพราะมันจะติดลักษณะนิสัยที่ไม่ดีไปจนตกเพราะฉะนั้นต้องตระหนักว่าเราจะต้องเป็นคนดีดีนี่ไม่ใช่เอาตัวรอดคนเดียวนะรอดทั้งทีมทั้งคณะทั้งกลุ่มประทับประคองการช่วยเหลือกัน ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทุกคนต้องการชนะปีที่แล้วมีเหตุการณ์น่าประทับใจในรีโอเกมที่บาร์เซโลนในการแข่งขันช่วงนี้ประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยแข่งวิ่ง 5,000 เมตรในรีโอเกมปรากฏว่า ผู้หญิงที่เข้าแข่งเนี่ยวิ่งกันไปสู่จุดหมายเส้นชัยทุกคนก็ อ, อยากชนะเป็ น, นรอบรองชนะเลิศทุกคนต้องการเอาชนะเพื่อเข้ารอบสุดท้ายวิ่งมาได้สองพันเมตร อ, อีกสามพันเมตรจะถึงเป้าหมายนักวิง่งจากนิวซีแลนด์ผู้หญิงชื่อนิกกี้ หัมริ้เกิดสะดุดขาตัวเองลง้มล้มแล้วเซ่กักลิ้งไปชนเอานักวิ่งชาวอเมริกันชื่ อ, MB, กกอเอ็บี้ดัคออสตน่ชนอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังวิ่งเนี่ยล้มลงไปด้วยกัน คิดถึงพระองคนักวิ่งชาวมริการที่ถูกชนหวังจะชนะแน่นนๆแล้วอยู่ๆไอ้ไม่รู้จักกันเลยนันมาจะดิวซีแลนมันชนเธอล้มลงเยโกรธไหมล่ะในท่ามกลางสายตาชาวโลกถ่ายทอดทั่วโลกเนี่ยโกรธทุกคนก็โกรธไม่ใช่ความผิดของตอ มาชนฉันทำไมมีสิทธิ์ที่จะโกรธและแสดงอาการกังัลกังเพียนคนอื่นวิ่งไปไพอล้มลงไปเธอก็ลุกขึ้นมานะชาวเมริกันที่ถูกชนเนี่ยดกากัสซิโ น, โเน่เลือกมาเห็นคนชนต้องมองด้วยความโกรธเลยไปดูว่าใครชนฉันทะลืมตาใสา่ ปรากฏว่าภาพที่ปรากฏในสายตาของเธอก็คือคนที่ล้มลงไปเนี่ยนอนปิดตัวด้วยความเจ็บปวดมันวิ่มาด้วยความเร็วนี่กระแทกเธอลงไปเนี่ยบาดเจ็บลุกไม่ขึ้นร้องโกลนคลักงไอ้ความโกรธนี่มันหายไปเลยนะสงสารนี่คือสิ่งที่ดีงานในใิขใจขเธอเปลี่ยนเป็นกรุณ า, าความสงส พอเห็นนักวิง่งเอกที่ชนเนี่ยล้มล้มไปล้มบนทางดาร์กอสิโนโชาเมริกันก็เดินไปจับปือประคองลุกขึ้น อ, อ่ปลอวิ่งน่ะดูสิจิตใจอทศงานของเธอปลอกเขาขึ้นมาแล้วก็ประคองขึ้นมาพอเห็นเพิาตั้งหลักได้ชวนกันวิ่งต่อตามให้พวกที่วิ่งนําหน้าไป สองคนกวิ่งกันต่อไปเพราะยังเหลือีก3 0 0พเมตรวิ่งกันไปด้วยพอวิ่งไปเกืบเอบได้สักครึ่งทางคนที่ประคองตอนแรกน่ยชามเมริการผู้หญิงชามเมริกันชื่อแอปปี้แดร์คอนสิโนูนี่ขาเธอบาดเจ็บนะบาดเจ็บปวดจนล้มลง คนที่ถูกชนล้มแล้วทีนี้ไอคนชนวิ่งต่ออ่พวกเพื่อนที่มาด้วยกันมาถายไปไหนครับท่านพ่าที่รล้มวิ่งอยู่ตรงนู้นวิ่งกลับมาประทองให้คนที่ลม้มคนที่สอบคนหลังเนี่ยให้ลุกขึ้นแล้วก็ประทองกันวิ่งต่อไปจนเข้าเส้นชัยถ่ายทอดแล้วก็มีการถ่ายภาพเซลฟี่หลายคนเนี่ย ถ้าปรากฏโลกลมกรรมการโอลิมปิกสากลได้สร้างข่าสองคนที่ไม่ได้เข้าเส้นชัยเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์แข่งในรอบชนะเลิศแต่กรรมการก็บอกให้เข้าเลยทั้งสองคนเพราะเสริจเปีเทแล้วเกิดทั้งทั้งที่ล้มได้ให้เข้ารอบชิงชนะเลิศเลยนะ แต่ปรากฏว่าเธอบาดเจ็บเข้าแข่งไม่ได้ขามันล้มแรงๆเนี่ยเ่ ย, เ, ยเข้าแข่งไม่ได้กรรมการโอลิม ป, ปิกสากลจึงทำเหรียญพิเศษซึ่งเขามีอยู่แต่ไม่ตั้งใใครได้เลยเป็นรางวัลพิเศษเรียกภาษาเกรีกว่าแฟ i r p l ร y a w a r d รางวัลสำหรับผู้ที่แข่งขันอย่างยุติธรรม ยกย่อมน้ำใจนักกีฬาที่มีสปิริตรู้แพร้รู้ชนะรู้อาัยให้รางวัลแก่เินทั้งสองคนใครชนะที่หนึ่งได้เหรียญทองเหรียญเงินเลยไม่มีใครจนจับแต่กลายเป็นว่าเด็กสองคนเนี่ยฟือไปรายงานทั่วโลกคนยกย่อมได้รางวัลแฟร์เพลทอว์ด รางวัลของนักกีฬาที่ดีอาจจะไม่เก่งถึงขนาดได้เหรียญทองแต่ดีการแข่งขันประกวดดังหน้าสิลธรรมต้องเน้นเรื่องแฟร์プレーสปรตของนักกีฬารู้แพร้รู้ชนะรู้อภยัยและไม่ทิ้งเพื่อน ช น, นะชนะด้วยกันแพ้แพ้ด้วยกันไม่ใช่พอชนะแล้วก็บอกอ่ะในทีมนี้ถ้าไม่มีฉันพวกธอแพ้ใน่นงทุกคนมีส่วนทุกคนมีสิทธิ์รักหมู่รักคนะและดูแลซึ่งกันและกันทั้งทั้งหมดจานวนพันชีวิตที่มาอยู่รอดประโยูนนี่คือมาฝึกให้เป็นคนดียิ่งขึ้นไป อะไรที่เธอมีอยู่แล้วพวกเรามีอยู่แล้วรักษาวไว้คุณนนามความดีแล้วก็มาแสดอออกให้ปรากฏจึงจะสมควรแก่รางวัลแกล่การเข้าไปสู่รอบชนะเลิศชิงชนะเลิศที่มหาวิทย า, าลัยมหาจุฬาลงกรณ์หลายพวกเรามัอนกับรอบรองชนะเลิศผ่านตรงนี้ก็เป็นชิงตนะเลิระดับประเทศแต่ไม่ใช่เอาตัวรอดคนเดียว นึกถึงเพื่อนนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคนอื่เราจะได้ตั้งใจทำให้เต็มที่ร้องให้มันสุดคำรับให้มันสุดแขนแผนให้มันสุดปีกอย่าเชื่อแต่ถ้าเครียดเกินไปฟุ้งซ่านเกินไปเดินลงมาให้มันพอดีพอดีเครียดนิดหน่อยประมาณนิดหน่อยพอให้เลือดมันสูบฉีดแต่อย่าให้มากพวกเราก็จะประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้มาพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของความเก่งอย่างเดียวมาพิสูจน์ความเป็นคนดีของพวกเรามีธรรัดประจำใจและก็ไม่ทาให้เสียชื่อเสียงเป็นเด็กเก่งเด็กดีและก็มีความสุขจึงขอให้กำลังใจพวกเราทุกคนที่ ได้รับการคัดเลือกมาจนถึงวันนี้ที่ดีให้ตั้งใจทำหนที่ให้ดีและให้และให้าพวกเราทุกคนนั้นปลุกตัวเองขึ้นมาถ้ามันเชยและดึงใจตัวเองลงมาให้พอดีให้สงบถ้ามันฟุ้งซ่านถ้ามันเครียดเกินและรักษากฎกติกามารยา ทำความดีเพื่อตัวเราเพื่อสถาบันเพื่อพ่อเพือพ่อแม่และที่สำคัญถวายในหลวงรัชการที่เก้าและรัชการปัจจุบันเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก่อนที่เราจะาอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นราชบุตรศรก็ขอให้พวกเราทุกคน ได้ประสบความสำเร็จด้วยการที่ขอตั้งจระยาณจิตอธิษฐานท่านคุณภรีรัตนาตรีคุณความดีที่พวกเราทุกคนบำเพ็ญมาและอุปบังทุกท่านทุกคนได้สนับสนุนกิจการด้วยดีนั้นขอจงมารวมกันเป็นสบ่าเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอํานวยวอวยพรให้พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์กรรมการผู้จัด ผู้ประถับทั้งปวงประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขอนักเรียนทุกคนประสบความสาเร็จในการเข้าประตูได้ทำหน้าที่อย่างสุดฝีมือสุดความสามารถได้รับความสาเร็จทุกคนืธอต่อจากนี้ขอพวกเราได้พร้อมใจกันตั้งมาท่านผมจิตใจให้เป็นครูสอนอยู่ในความสงบ รำเริ่ล่นถึงคนความดีวนสอนบา ร, รมีทัาทวงที่ได้ประเพ็มาน้องถวายเป็นราชบุตรสแต่พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมพิพัน์อดุญเดเดบา ร, รมนาขวาหินเพื่อเพิ่มบา ร, รมีธรรมแด่พระองค์ท่านในสัพรายภพยิ่งยิ่งขึ้นไปนาบัดดี